เรามาดูอย่างประโยชน์ในด้านของอนุสติที่พระองค์ทรงหมายเขาไว้บอกว่าเพื่อประโยชน์แก่ความหนายเนี่ยนิพ เ, เพื่ อ, อนิพิธานเนี่ยอนุสติทุกข้อนี่นะเริ่มตั้งแต่ที่พุทธานุสติธรรมานุสติจนถึงจาคานุสติสีลานุสติเนี่หนะถามว่าเราเดินทําไมเราให้ทานเนี่ยหนึ่ง ชาวพุทธไม่ควรเจริญทานกุศลทิ้งลองนั่งนึกอยู่ที่โยมที่เราให้ทานเหมือนทิ้งขยะน่าเสียดายไหมแล้วลืมไปหมดแล้วทั้งๆที่จะเก็บเกี่ยวออกมาเป็นอารมณ์กรรมฐานได้หมดเลยแล้วเป็นปัจจัยแก่ความพ้นทุกข์ได้ด้วยนะแล้วศีลที่รักษามากี่สิบปีแล้วแล้วมันทิ้งไปหมดแล้วระ ล, ลึกก็ไม่ได้คิดก็ไม่ออก ตามระลึกก็ไม่ได้ย้อนระลึกก็ไม่ได้จําก็ไม่ได้คิดก็ไม่ออกฟั่นเฟือนเลือนเลื่อหมดแล้วเนี่ยแล้วมันจะเป็นสติได้ยังไงแล้วจะเป็นกรรมฐานได้อย่างไรไม่ต้องพูดถึงกรรมฐานที่เราไปเข้าแต่ละปีละครั้งละครั้งนะอันนี้เอาทําทุกวันเรายังระลึกไม่ได้เลยแล้วมาเป็นห่วงไงตรงเนี้ยเป็นห่วงชาวพูดตรงนี้แหละไม่ใช่ไปต์หนีพระธรรมที่ว่าเออทำไมจะลากลงในเรื่องนี้แล้วไม่ไปหรือพูดอธิบายไม่ได้หรือไม่ไม่ใช่งั้น นี่นี่เราบอกเพื่อความหนายเนี่ยประโยชน์เลยนะประโยชน์ของการเจริญจากานุสติและศีรานุสติเนี่ยเพื่อความหนายเนี่ยเบืบ่อหนายละอาเนวะตนะเบื่อหนายละอาเนวะตะเห็นไหมว่าทานกสสุศลศีลกุศลเนี่ยเป็นไปเพื่อความเบื่อหนายละอาเนวะตะโดยส่วนเดียววตตาคืออะไรกิเลสวัตกรรมวัตและวิปากวัตนี่คือวัตะใช่ไหมหรือ การเวียนว่ายตายเกิดถ้าว่าโดยสัตว์บุคคลเกิดแก่จิตตายก็คือการจากมนุษย์จากมนุษย์ษยไปเป็นอบายสัตว์ก็ได้เป็นสัตว์นรกบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเปรตบ้างอสุรกายมนุษย์เป็นเทวดาบ้างพรหมบ้างก็หมุนอยู่อย่างเนี้ยเวียนว่ายตายเกิดอยู่เงี้ยสรุปก็คือมาสรุปโดยสภาวะธรรมก็คือกิเลสเป็นเหตุให้ทํากรรมกรรมก็ทําให้ได้วิบากมีวิบากก็เกิดกิเลสใหม่เกิดกิเลสใหม่ก็ทํากรรมใหม่ ก็ทำไม่ได้วิบากใหมก็วนกันอยู่นี่กิเลสกรรมวิบากไปอยู่นี่คือสังสารวัฏวนเวียนไหวตายเกิดอยู่อย่างนี้นี่ไม่เบื่อการมีตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไม่เบื่อหลายคนบอกเบื่อแล้วเบื่อตอนไหนตอนที่แกตอนที่เจ็บไปเห็นเด็กๆ ก, ก็ยังชื่นใจเออน่ารักน่ารักน่ารักน่ า, น า, นาชื่นชมทั้งๆ ท, ที่อัดอันเดียวกัน เกิดก้อนเดียวกันแก่ก้อนเดียวกันเจ็บก้อนเดียวกันตายก้อนเดียวกันทำไมยานปัญญามันไม่สะดุ้งสะเทือนทำไมความเห็นอย่างนั้นจึงไม่ไม่สะเทือนใจว่าสะเทือนใจเห็นเด็กๆทีไรสะเทือนใจถามว่าเห็นทีไรในสะเทือนใจทุกครั้งไหมว่าภัยใหญ่ปรากฏเฉพาะหน้าเราแล้ ว, ลวคิดอย่างนี้จริงไหมพอเห็นเด็กๆเนี่ยเห็นอูแวออกมาก็ภัยใหญ่ออกมาอีกแล้ว โอโหน่ารักน่ารักจริงๆโอ้โหแก้มจำมําเลยอย่างนี้เรือว่าเดี้อแท้จริงเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเห็นไ้มถ้าดอย่างนี้เป็นไงเนี่ยฮะถ้าดูยังไงว่าสะเทือนใจเลยไหมเห็นแล้วเนี่ยด้วยเห็นแล้วโอ้โหสวยจริงๆน่ารักตาใสแจ๋วอะไรอย่างนี้บปล่าเห็นเยอ้นึกอย่างนย้เป่า ลองดูจริงๆลองถามใจเราดูจริงๆดิอริยราชดาเห็นแล้วเป็นยังไงเนี่ยเห็นไหมน่ารักเห็นไหมเนี่ยเห็นแล้วน่ารักอันนี้บ่งบอกถึงอะไรเนี่ยบ่งบอกว่าไม่นายไม่นาย ทีนี้ไอ้กรณีในลักษณะอย่างเงี้ยนะถ้าเรามองในลักษณะเงี้เราบอกว่าจริงๆเราไม่หน่ายเพราะเรายังไม่เห็นเลยว่าเกิดกับแก่แก่กับเจ็บเจ็บและตายความหมายเดียวกันน่าเบื่อมากนะตายเดี๋ยวนี้ต้องไปอยู่ในคันต้องไปทรมานแล้วก็ต้อง กว่าจะคลอดออกมาดิ้นทั้งร้องทั้งทรมานแล้วต้องมาทากรรมใหม่ใช่ต้องมาทำกรรมใหม่ถ้าอย่างนี้ยอมอย่างนี้เห็นอย่างนี้เป็นเงินกับรูปเมื่อกี้กับภาพเมื่อกี้เนี่ยให้ความน่ารักเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมทั้งๆที่คนเหมือนกันเอาะถ้าอย่างนี้เราบอกได้ไหมว่าน่ารัก ทำไมถึงบอกไม่ไม่บอกว่าน่ารักกันเอาสิแต่นี้ทั้งทั้งที่อัดเดียวกันเลยนะเนี่ยเรื่องเดียวกันเลยนะเนี่ยและสภาพเดียวกันด้วยนะเนี่ยเพราะมีผมมีขนมีเล็บมีฟันนะเนี่เอาสิสภาพแต่พอเราเห็นสภาพอย่างนี้เราบอกว่าเราอไม่น่ารักเลเห็นสภาพหน้าสยดสยองเราคิดอย่างนั้นใช่ไหม แท้ที่จริงอันเดียวกันเลยเนี่ยอันเดียวกันเลยอันนี้เขาถึงบอกว่าวัตฏะมันมีไพร์มันเป็นภัยใหญ่เนี่ยถ้าเรามองในลักษณะอย่างนี้นะเราจะเห็นฉะนั้นในกรณีาการเจริญจาคานุสติศีลานุ ส, สติจริงๆท่านบอกว่าเพื่อความเพื่อประโยชน์แก่ความคลายกําหนัดเบื่อละอาวิราค้าก็คือเพื่อประโยชน์ตก่ความคลายกําหนัดในวัตฏะ คลายก็คือการละนั่นเองเพื่อสํารอกก็คือเพื่อปราศจากไปจากกิเลสมีราคะโทสะโมหะมานะที่ตีว่าจะสํารอกไอ้สารอกคือการอาเจียนออกมาเนี่ยสำรอกกิเลสทีนี้ตอนเนี้ยกิเลสมันไม่ถูกสํารอกใจเราเกิดที่ไร ก, กิเลสก็เกิดจิตเกิดขึ้นเมื่อไรคิดในเรื่องโน้นเรื่องนี้เมื่อไรเนี่ยความกําหนัดความยินดีความเพลิดเพลินความลุ่มหลงความโกรธความหมงุดหงิดฟุ้งซ่านเนี่ยมันก็เกิด นี่นะเพื่อประโยชน์แก่การทํากิเลสมีราคาเป็นต้นที่ดํามมิให้ดําเนินต่อไปตามบอกว่าถ้าเราจเจริญจาคานุสติศีลานุสติพุทธานุสติเป็นต้นเหล่าเนี้ยเพื่อประโยชน์อะไรเพื่อจะไม่ให้กิเลมันดําเนินต่อไปรากตอนเนี้ยราคามันดําเนินอยู่ในใจเราตลอดโทสะก็ดําเนินอยู่ในใจตลอดโมหก็ดําเนินในใจอยู่ตลอดด้วยส่วนใหญ่เป็นแบบนี้ แต่ถ้าเราเอามาเจริญเอามาลึกถึงจาคานุสติศีลานุสติเป็นต้นอะไรนี้ถ้าเราลึกเป็นนี่นะด้วยสติเนะีด้วยจาคานุสติสติที่ตามระลึกได้ น, นี่นะจําได้คิดได้เนะี่ยไม่ฟั่นเฟือนไม่เลือนเลอะระลึกได้อย่างต่อเนื่องรักษาจิตที่เป็นไป ก, กุกโศและรักษาอารมณ์ได้อย่างต่อเนื่องด้วยที่สุดจริงๆกิเลสก็ไม่ได้โอกาสไม่ได้ช่องตอนนี้มันเป็นสภาพที่วิ่งแข่งกันอยู่ย่อมถ้าเราปล่อยให้กิเลสเนี่ยมันมีกําลัง ที่สุดจริงๆมันก็บงการชีวิตเราได้แต่ถ้ากุศลเนี่ยมีกําลังสติมีกําลังนะที่สุดจริงๆกิเลสก็ไม่สามารถมาบงการกระแสชีวิตของเราใช่ไหมนี่เป็นอย่างนี้เห็นไหมว่าเพื่อกิเลสทั้งหลายมีราคาเป็นต้นเหล่าเนี้ยจะไม่ได้ดำนวลดำเนินต่อไปแล้วเพื่อปราศจากกิเลสมีราคาเป็นต้นเนี่ยนีโรธายะก็เพื่อดับกิเลส ดับราคะโทสะโมหะแล้วก็เพื่อประโยชน์แก่การทําราคะโทสะเป็นต้นไม่ให้ดําเนินต่อไปเพื่อประโยชน์แก่การดับวัตตะก็คือกรรมวัดวิปากวักิเลสวัดเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรดับควรดับเพื่อประโยชน์แก่การเข้าไปสงบกิเลสตอนนี้กิเลสถูกสงบไหมเวลาเราเวลาเรานั่งนั่งอยู่เนี่ยสภาพ กิเลสมันสงบลงบ้างไหมโยมหรือหรือสติต่างหากวันถูกกิเลสของมว่าตรงนี้ดูอย่างนี้นะว่าถ้าการเจริญกุศลเนี่ยสภาพสติเนี่ยจะถูกจะมีกําลังเพื่อประโยชน์แก่การเข้าไปสงบระงับกิเลสเพื่อประโยชน์แก่การยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์มีความไม่เที่ยงเป็นต้นเห็นไหมว่าที่สุดจริงๆก็คือว่าเมื่อจิตสงบปราศจากนิวรณ์ธรรมทั้งหลายมีการมาฉันทาเป็นต้นเหล่านี้ย นาข้าท่านจะยกขึ้นสู่ตรลักษณ์เพื่อมาวิจัยใหม่ๆใหม่ๆทงจิตให้แข็งแรงด้วยกุศลก่อนเมื่อกุศล น, นั้นเกิดในใจแข็งแรงเบ็ดเสร็จอ่อนควรต่อการงานเบ็ดเสร็จแล้วนาข้าก็ยกยกสภาวธรรทั้งหลายสู่ไตรลักษณ์วิจัยเลยดี๋นี้นะวิจัยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาความไม่งามนาข้าวนาข้าก็ถ่ายถอนแล้วก็ระกิเลสได้อย่างเด็ดขาด ที่สุดจริงๆเพื่อเป้าหมายับการละแบบสมุทเชชาประหารนั่นเองเป้าหมายคืออย่างนั้นอันนี้ต่อเวลายละเอียดก็ า, าค่อนข้างยากเนีน่ค่ะดูเหมือนว่าสิ่งที่เรารู้มาเราทำมาเนี่ยคนละมุมกับที่อาจารย์พูดเลยอะคะ่ะนะคะคนละมุมคนละแนวคนละด้าน